ิ ค, ครับเมื่อคุณหญิงได้รับจดหมายของผมฉบับนี้ก็ควรแปลว่าผมได้ออกจากหนองน้ําแห้งไปแล้วถ้าคุณอําพลรักษาสัตว์จากตามคํามั่นสัญญาที่ผมขอร้องไว้ผมจะใบหน้าไปไหนเพื่ออะไรขณะที่ผมเขียนอยู่นี่ผมก็มึน ง, งงไปหมดไม่อาจบอกถูกเหมือนกันรู้แต่เพียงว่าผมไม่มีทางจะหลีกเลี่ยงได้เพราะภาร ก, กิจ งานสำคัญของประเทศชาติรายละเอียดต่างๆคุณอําพลคงจะอธิบายให้คุณหญิงและท่านที่ผมเคารพนับถือทราบได้ดีนะครับมากกว่าที่ผมจะเขียนเล่าได้ในขนาดที่สมองมึนงงไปหมดเช่นเดี๋ยวนี้ผมเสียใจและเสียายอย่างยิ่งครับยังไม่ทราบว่าจะเอ่ยหรือเขียนบรรยายความรู้สึกยังไงได้ในการที่ผมผิดสัญญาพลาดโอกาส ที่จะมาอํานวยพรสั้นๆขออ่ำนวยพรสั้นๆแต่เพียงว่าขอให้คุณหญิงจงมีความสุขในคราวครบรอบวันเกิดครั้งนี้และตลอดไปนะครับคุณหญิงครับผมได้ทําพินัยกรรมขึ้นเป็นสองฉบับฉบับละสามชุดข้อความตรงกันในแต่ละชุดฉบับแรกนะเป็นของผมเองที่จะกําหนดทรัพย์สินของผมเท่าที่พึงมีอยู่ เพื่อมอบหมายให้แก่คุณแม่ของผมซึ่งผมมีอยู่เพียงคนเดียวในโลกและตัวท่านก็ไม่เคยทราบเลยครับว่าผมเดินทางไปไหนอนาคตเป็นยังไงเพราะผมเรียนท่านแต่เพียงว่าผมออกป่าตามธรรมดาวิสัยของผมครับส่วนอีกฉบับหนึ่งเป็นของคนของผมสี่คนและลูกหาบอีกสิบคนซึ่งจะมอบมรดกอันเป็นเงินสดที่ฝากไว้กับธนาคาร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 และชุดที่สามผมขอบารมีคุณชายเชิดาเป็นพี่พึ่งได้โปรดเป็นผู้เก็บรักษาและช่วยดูแลให้เป็นไปตามนัยยะที่ระบุไว้ในพินัยกรรมด้วยครับคุณหญิงครับสิ่งที่ผมจะขอร้องเฉพาะคุณหญิงก็มีอยู่เพียงสี่ประการเท่านั้นครับประการแรกโปรดทําใจทํากายให้เป็นสุขและปลงเสถียรนะครับ มนุษย์ทุกรูปทุกนามฝากชีวิตไว้กับดวงชะตาไม่มีใครจะสามารถลิขิตชีวิตของตนเองได้อะไรมันจะเป็นไปมันก็ต้องเป็นไปครับประการที่สองคุณแม่ผมท่านก็ชรามากแล้วและท่านก็ไม่มีใครอื่นอีกนอกจากผมผู้ซึ่งอาจไม่มีโอกาสกลับไปสนองพระเดศพระคุณท่านได้อีก ขอฝากคุณแม่ไว้ในความเมตตาของคุณหญิงด้วยนะครับกรุณาอย่าได้แพร่งพรายให้ท่านรู้เป็นอันขาดนะครับว่าผมจําเป็นต้องเดินทางอย่างไม่รู้อนาคตประการที่สามโปรดอย่าได้คิดติดตามผมให้เหนื่อยยากและเสี่ยงชีวิตโดยใช่ที่เลยครับเพราะถึงยังไงคุณหญิงก็ไม่มีวันตามผมพกประกครับและ ประการที่สประการสุดท้ายเมื่อคุณหญิงได้อ่านจดหมายฉบับนี้แล้วและได้รับรู้ความจริงทั้งหมดแล้วกรุณาอย่าได้ตําหนิติเตียนใดๆคุณําพลว่ามีไม่ว่าจะการณีใดๆทั้งสิ้นเพราะมันไม่ใช่ความผิดของคุณอาพลเลยคุณําพลนะ่ะเป็นมิตรที่ดีกับเรามาโดยตลอดสื่อสัตย์สุจริตต่อราชสกุลของคุณหญิงและเป็นสุภาพบุรุษ ผู้รักษาสัจจวาจาที่ให้ไว้กับผมครับฝากปราลามายังคุณชายเชษฐาคุณชายอนุชาคุณชายยันและพัญญาของเขาเมพร้อมส่งความรักความปรารถนาดีมายังบุตรของเขาทั้งสองซึ่งควรจะคลอดแล้วด้วยขอให้เด็กจงมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์โตวันโตคืนและถ่ายทอดนิสัยความกล้าหาญอดทน มีวิญญาณนักสู้เหมือนผู้ให้กำเนิดเขาทั้งสองด้วยเถอะครับและสำหรับคุณหญิงลาก่อนครับผมจะกลับมาถ้ายังไม่ตายครับระพินภายในห้องรับแขกใหญ่นั้นเงียบกริบขนาดเข็นตกก็คงได้ยินนาฬิกายืนขนาดใหญ่ริมผนังห้อง ดังกังวานขึ้นเป็นจังหวะช้าๆ11ครั้งเสียงของมันกระหึมไปหมดทุกอนูของบรรยากาศภายในห้องสงัดที่มีบุคคลอยู่รวมกันทั้งสิ้น5คนอําพวพลากรผู้อำนวยการบริษัทไทยไวไลฟ์นั่งก้มหน้าคอตกอยู่บนเก้าอี้ตัวหนึง่งเฉฐาอนุชาและชยัน จ้องตาไม่กระพริบไ ป, ปยังดารินผู้บัดนี้กายสันเทาขณะที่ยืนอ่านจดหมายสองหน้ากระดาษนั้นด้วยดวงตาอันเบิกโลงและใบหน้าขาวซีดราวกะศกทุกคนอยากทราบข้อความในจดหมายอย่างใจจดใจจอ่อแต่เจ้าของจดหมายอันมีชื่อตามจ่าหน้าอ่านนานหรือเกินนานจนดูเหมือนว่า ทั้งแรกจะอ่านอย่างรวดเร็วไปแค่เที่ยวหนึ่งก่อนแล้วต่อมาก็เริ่มต้นใหม่โดยแกะไปทีละตัวประโยคต่อประโยคของข้อความที่เขียนด้วยลายมือเรียบๆนั้นตลอดระยะเวลาไม่มีใครเอ่ยคําใดขึ้นเลยนอกจากมองไปยังหม่อมราชวงศ์สาวเป็นตาเดียวกระสับกระส่ายและรุ่มร้อนแทบระเบิด และทุกคนก็สะดุ้งสุดตัวเมื่อได้ยินเสียงแหลมกรีดร้องเรียกนามนั้นก้องไปทั้งห้องว่าระพินแล้วร่างของราชสกุลสาวที่สั่นเทิมอยู่ก็ล้มฟาดทั้งยืนช ย, ยันเป็นคนที่อยู่ใกล้ตัวที่สุดเพนพรวดก็ามาคว้าตัวไว้ในอ้อมแขนได้ทันก่อนที่หญิงสาวจะฟาดลงถึงพื้นพี่ชายอีกสองคนก็ทลันเข้าถึงตัวน้อย คนร้องลั่นออกมาอย่างตกใจเป็นเสียงเดียวกันหมดเป็นลมหมดสติแล้วช็อกแล้วช่วยกันชั ย, ยันโวยวายระล่ำระลักแทบไม่เป็นภาษาอุ้มเพื่อนสาวไปวางนอนไว้บนโซฟาเชื้อทเข้ามาเขย่าตัวเรียกน้องสาวทีทีส่วนอนุชา ย, ยืนหันรีหันขวางทำอะไรไม่ถูกนายพลเองก็เพลนพลวดขึ้นยืนภายในห้องนั้นเคยเงียบกริบไปชั่วขณะ โผลาหนโอนละหมานไปหมดสิยงพี่ชายใหญ่ตะโกนสั่งการอะไรกับ น, น้องชายกลางลงเล้งกันไปทั้งห้องเมื่อ น, นั้นเองอนุชาก็เล่นคล้มคล ค, وم, ค, وم, ค وم, ขึ้นไปชั้นบนอึจจ้ใจก็กระโดดพรวดราดพร้อมกับขวดแอมโมเนียและรักสัมฤทธิ์นายอัมพลเองขณะนี้ก็วิ่งพล่านอยู่ในห้องเงื้ ง, งะไปหมดไม่ทราบจะช่วยเหลื อ, อยังไงถูกนอกจากจะครางซ้ำๆ ซ, ซ้ำวะ โอ้คุณหญิงโธคุณหญิงคุณหญิงครับดารินวราฤทธิหล่อนชอกหมดสติไปแล้วภายหลังจากความรู้สึกกดดันทวีขึ้นถึงขีดสุดจนเหลือที่จะระงับควบคุมไว้ได้เสียงที่เรียกนามของรพินนั้นกึกก้องไปในคลื่นอากาศแหลมยาวสถานเยือกเข้าไปทุกโสตประสาทที่ได้ยินเป็นเสียงร้องออกมาจากจิตวิ ญ, ญญาณของหญิงหนึ่ง ที่กูเรียกเพรียกหาชายหนึ่งด้วยความหมายหลายประการปะบนกันตื่นระหนกเกินคาดฝันมาก่อนห่วงหาอาธรโทรมนัดใจขีดสุดมันเป็นข่าวร้ายกระทันหันเหลือเกินด้วยพลังจิตครั้งสุดท้ายที่แพรเรียกนาำ น, นั้นออกมาแรงกล้านะักก่อนที่ปราณ ฤาเีตสิ์จะผลักยกออกจากร่างชั่วขณะร่างกายอันเป็นอินทรียาบของหญิงสาวแน่นิ่งไปแล้วแต่ดวงปลานพุ่งปราไปในทันทีกระแสะเสียงที่แทรกซึมอยู่ในครื่นอากาศนั้นมันพุ่งขึ้นเบื้องบนก่อนและสะท้อนเป็นรักสมีลงมายังพิภพโลกอีกครั้งกระจายด้นดดันไปทุกมุมโลกประดุดคลื่นวิทยุ ระพินเสียงหวีดแหลมยาวแท่ออกมาทุกทิศในราวป่ารอบด้านสะท้อนรับกันเป็นช่วงช่วงกระทบไปยังหน้าผาแล้วสะท้อนกลับมายังระหว่างขุนเขาต่อขุนเขาที่แวดล้อมเป็นทิวระพินไพรวันผู้อยู่ในภาวะเหมือนคนถูกสะกดสติสัมปชัญญะกลับคืนมาในบัดนั้น เขาได้ยินกระแสเสียงตลาดนั้นอย่างถนัดชัดเจนทั้งโสตและทั้งจิตจําได้อย่างชัดเจนว่ามันเป็นเสียงของแม่ดอกฟ้าดารินของเขามันก้องมาจากไหนกันนี่ช่วยปลูกเรี่ยวแรงอันอ่อนเพลียของเขาให้กลับฟื้นคืนพลังขึ้นมาในวินาทีดับจิตอสุรกายจากนรกทั้งสามตนชะ ง, งักกึกเหมือนมีอะไรมาฉุดกระชากไว้อย่างน้อยก็วิบตาหนึ่ง จังหวะนั้นเองคาถาอาคมที่เหมือนต้องนักยังงงหลงลืมไปเสียหมดสิน้นก็ปลุกโปรงขึ้นในบักเดินแหนวูบขึ้นไปบนท้องฟ้าเหมือนจะค้นหาที่มาของเสียงเรียกนามแล้วก็หันขวบมาประจันหน้ากับไอ้ผีดิบ ต, ตัวที่ยื่นแขนใกล้เข้ามาที่สุดตาเขาซึ่งเมื่อครู่นี้กำลังริบ ป, ปรีลงบักนี้สุขสว่างโชน ประสานกับประกายตามีแสงเหมือนทับทิมของมันซึ่งจ้องของมิงมาปีษาเจวะเอฮิมะมะกูอเอามึงมั่งแล้วทีนี้บริกรรมสั้นๆเพียงข้าบเดียวระพินก็คำรามลั่นออกมาตวัดทานท้ายไร้ฟันเวียงโค้งเข้าไปที่สีข้างของไอ้ผีดิบมืนไปที่กำลังจะยื่นมือมาขยุ่งก้านคอเขาปุ่มเดียว ราวกับเป็นพลังของเทพเจ้าผู้ปกครองนรกภูมิเข้ามาสิงสู่ร่างสูงใหญ่ลงอันยี่พลังอ า, าลอยจากพื้นทั้งตัวแล้ลงฝ้าตะแคงลงเสียงดังสนั่นพร้อมกับเสียงร้องโอ้ที่ไม่ใช่เสียงมนุษย์เจ้าตัวทางซ้ายมือที่คลานสี่ตีนเราก็เสืออ้าปากเงบเงบจะกกัดขาเขาถูกม้าทาเสือังเข้าไปกลางใบหนะ้า ไอ้ม้วนไปสามทอดยังกระถูกช้างไปกระพินบ้าเลือดซะและ้วหันกลับไปทางด้านหลังมัสุรกายที่ร่างขาดครึ่งท่อนโผล่หน้าของมันพ้นซอกหินออกมาแล้วเดินสันผานท้ายกดเปียงขยี้ลงไปกลางหัวเดี๋ยวอัดลงไปพื้นดระเทือบซ้ำด้วยเท้าเข้ามาพอจะกระเทอบไปจมทรนลีเลย พัวของมันถูกเหยียบลงไปติดดินมือทั้งสองบทปัดแกงอยู่ไปมาแล้วตวัดขึ้นมาเหมือนจะโอบจับข้อเท้าของเขาไว้ด้วยนิ้วหนังหุ้มกระดูกอุดมไปด้วยเล็บเหมือนไปเหยียบแต่แล้วมือทั้งสองก็พัางงอออกไม่อาจแตะต้องร่างกายของเขาได้แต่ก็ยังโบกแกงไกวยอยู่เช่นนั้นไม่ยอมส ง, งบ ตัวที่คลานสีขาก็พยุงกายขึ้นช้าๆเยื้อคลานปีเข้ามาอีกในขณะที่ไอ้ตัวใหญ่ทํา ม, มืนปีลังกาไปพันงกศีษะมาฮือมาขึ้นมาหึมมักเรียงหน้าเข้ามาไอ้โคตรนรกสาพ ร, ระพินร้องทา่าขณะที่ยังเหยียบหัวของร่างที่ขาดครึ่งท่อนนั้นไว้อีกมือนึงกระชักมีดโบวี่ล ง, ง, างมาคมขึ้นมากระชักไว้แน่ ทันทีที่มีดหลุดออกจากฝักส่งประกายเขียวกราบราวก็อาบไว้ด้วยพายน้ำเจ้าตัวที่คลานงูง่ามอยู่ก็ทิ้งกายหวดนอนคุกเหมือนท่อนไม้ไม่ผิดอะไรกับตุ๊ ก, กตาหมดกลที่หมดลานส่วนไอ้ตัวใหญ่ที่ดูเหมือนจะเป็นหัวหน้าก้าวถอยหลังช้าๆเข้าสู่งเงามืดของป่าริมทางที่มันโผล่ออกมาอย่าไม่ถอยไปไหนไกล แต่แฝงเงาอยู่ใกล้้นั่นเองตัวที่อยู่ใต้อุ้งเทียนเหยียบเขาซึ่งมีมือที่โบกไหวพยายามจะเอื้อมมารวบที่ข้อเท้าก็ทิ้งแขนทั้งสองข้างแผลลงแน่พื้นไม่ไม่กระดิกกระเดียดกลายเป็นท่อนไม้ไปอีกตัวทุกสิ่งทุกอย่างกลายเป็นความเงียบสงบลงตามเดิมอย่างเต็มไปด้วยเลสไนนี่ สิ่งอันสยดสยองพองขนที่เขาได้เผชิญหน้าอยู่เดียวดายไม่ได้แว่ระแคระคายไปถึงภายในบริเวณปริมณฑลของปางพักบ้างชิวหรืออย่างน้อยที่สุดก็เสียงตะกอนเอตโรของเขาซึ่งพวกที่อยู่เวรยามควรจะได้ยินบ้างจอมพานมองขึ้นไปบนแคมป์ที่ไม่ห่างออกไปนะักก็เห็นสภาพทุกอย่างปกติเรียบร้อยดีที่สุด ไม่มีอะไรกระโตกกระตากเลยสักนิดแล้วเขาเห็นใครคนหนึ่งเดินสะพายปืนเกรไปมาอยู่ริมกองไฟจำได้ว่าเป็นทรานเด็กหนุ่มของเขานั่นเองเจ้าเกิไอ้นั่นสูบุรีแดงว่าว่าระหว่างที่มายืนหันหน้าออกราวป่าคล้ายจะมองมาทางเขาแต่ไม่รู้สึกในท่าทีของมันเลย ว่าจะเห็นเขาหรือสำเนียกว่าห่างเพียงไม่เกินสามสิบเมตรนอกเขตขีดวงล้อมไปอาคมของบุญคำนักตำแหน่งที่เขานอนแล ะ, ะเผชิญกับสิ่งลี้ลับหน้าขนหัวลุกอยู่คนเดียวไม่กี่อึดใจที่ผ่านมานี้ได้เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นระพินต้องปากตะโกนเรียกออกไปสุดเสียงเปล่าเรากับอยู่กันคนละโลก เกิดหรือไม่ว่าใครทั้งสิ้นในที่พักไม่ได้ยินเสียงของเขาเลยหาดงไมระพินทรุศวาดออกมาก้มลงหาไฟฉายแต่ก็ค้นไม่พบว่ามันตกอยู่บริเวณไหนซะแล้วทมกลางการชุลมุนออกนิ้วอยู่คนเดียวของเขากับสิ่งลี้ลับที่ไม่มีสายตาอื่นมาร่วมรู้เห็นด้วยได้จะว่าตัวเองเพ้อบ้าไปก็ใช่ที่ พยานหลักฐานยังเห็นอยู่ชัดๆว่าไอ้ซ่าขาดครึ่งตัวนอนนิ่งอยู่ใต้ซอกโคถินส่วนที่คลานสีขาก็หมอบกระเตยอยู่ตรงนั้นเองห่างแค่ไม่เกินสามว่าเดินเอาเท้าไปเตะดูก็ยังสัมผัสกึกกึกเหมือนไปขอนไม้เพียงแต่มันไม่กระดิกอีกแล้วเท่านั้นเฉพาะไอ้ตัวการสำคัญที่สุดซึ่งบุดวิ จ, จะคว้าคอหอยเขาไว้ได้ เป็นตัวที่ถอยหนีเข้าสู่เงามืดจอมพรานพยายามสงบสติอารมณ์ลงให้เป็นปกติที่สุดเหมือนกับไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเลยควักบุหรี่ออกมาคาบสบัดซิปบ้อออกขีดเขาชะงนไปอีกวาระหนึ่งจำได้ว่าทานไฟหมดเมื่อตอนบ่ายนี้และเพิ่งจะเปลี่ยนไปหยกหยก แอาการของไฟแช็กเหมือนถ่านหมดจะขีดสักกี่ครั้งก็ไม่เกิดประกายไฟขึ้นเลยครั้งแรกที่สุดนาฬิกาหยุดเดินต่อมากระสุนด้านเสดือๆทำเอาเขาเกือบถึงคาดถ้าไม่ใช่เพราะสิทธิ์มีครูและมาบัดนี้ถ่านไฟที่พยายามขีดอยู่ก็ไม่ยอมเกิดประกายไฟขึ้นมาซะอีก นี่มันอะไรกันนี่ถลันเข้าถึงเปหลังค้นหาไม้ขีดไฟธรรมดาขึ้นมาได้กล่องนึกงขีดกระแถบอันเป็นฟอสฟอรัสไร้ผลไม้ขีดทั้งปลักมีสภาพเหมือนถูกน้าเตียชื้นไปหมดขีดไม่เกิดประกายขึ้นเลยรพินไพยวันฉุกใจในวูบนั้นทันที หันขวับไปทางแท่นหินลักษณะตลาดที่เขามาอาศัยหลบนอนอยู่ถึงมีดอาคมเดินปรีเข้าไปยังเดือดดานใจวางปลายมีดลงแตะกระแท่นหินที่งอกขึ้นมาจากใต้แผ่นดินนั้นกลั้นใจบริกรรมอยู่ชั่วครู่ก็พูดหนักๆออกมาว่าเอาละ่ะอะไรก็ตามที่สิงสถิตจุดตรงหินก้อนนี้จงปรากฏตัว สำแดงร่างออกไม่เห็นเดี๋ยวนี้ไม่งั้นเพราะอารวาดแหลกไม่ต้องอยูเป็นสุกก็ละหรือจะลองดูคาดเสียงของเขาเท่านั้นก็มีกระแสะเสียงแผวเบาใสาพลิ้วออกมาพรานท่านเป็นผู้หนึ่งที่จัดอยู่ในประเภทผู้แก่ตาฤิบแล้วแม้จะทางดิระชานวิชาก็ตาม จงหินแกพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่าทำอะไรเราเลยฮึระพินหัวร้อฮึๆในลำคออ๋อผู้หญิงซะด้วยออกมาได้ยินไหมเงาสีขาวรางๆเหมือนกับการรวมตัวของกลุ่มหมอกที่ปกคลุมบางๆอยู่ทั่วไปในขณะ น, นี้ก่อตัวขึ้นเป็นรูปร่าง ค่อยๆเด่นชัดขึ้นจนสังเกตเห็นสันฐานลักษณะได้เขาเพ่งร่างนั้นร่างนั้นแบบบางสูงระหงใบหน้าเข้มเหมือนเผ่าอารยันผมยาวถึงเอวยืนเด่นอยู่ทิศแท่นหินประหลาดนั้นห่างจากเขาออกไปราวสองว่าเป็นภาพที่ทรงตัวอยู่เฉยๆไม่มีส่วนเท้าแตะแติดพื้นดิน พลังจิตของเขาที่พุ่งตรงเข้าไปเป็นการบีบบังคับสามารถจะกําหนดรูปร่างของหล่อนผู้นั้นได้เพียงแค่นั้นเองไม่อาจชัดเจนเป็นตัวตนได้มากไปกว่านี้ลักษณะการของร่างนั้นดเูเต็มไปด้วยแววกลิ้งเกรงวาดประมาแต่ก็สนิทนิ่งอยู่กะที่ไม่ได้เคลื่อนไหวเลยเธอเป็นอะไรเป็นผู้พาย นางไม้เจ้าป่าเจ้าถ้ำเจ้าเขาปีศาจราชครือหารุกเทหรือว่าเป็นอากาศสเทศ พ, พรานใหญ่ถามเสียงต่ำๆเรามีนามว่าระดาราชรีเป็นบุตรีแห่งเท้าสหัสดดชะผู้ครองขุนเขาแลทถ้ำเบื้องหน้านน แม้ภาพจะไม่ชัดแต่สำเนียงที่ตอบมาชัดเจนเหลือประมาณช้าๆเป็นจังหวะสักเราเหนือกว่าพูดพลายรุกขเทศหรืออากาศเทถแต่เราก็ยังเวียนวนอยู่ในภพภูมิที่มีทุกขเวทนาเป็นอารมณ์ยังไม่อาจหยุดพ้นได้เราไม่ได้มีพิษภัยใดๆต่อท่านเลย อย่าเพิ่งเห็นเราเป็นศัตรูมิฉะนั้นบาปเวนจะติดตัวท่านอ่ะผีก็ไม่ใช่เทพธิดาก็ไม่เชิงก็ถ้าไม่คิดจะเป็นศัตรูกับฉันแล้วในลองบอกมาสิมันเรื่องอะไรที่เธอมาทำให้กระสุนปืนของฉันด่างบอยให้ไอ้ผีนรกพวกนี้นะแห่เข้ามาเล่นงานฉันจนเกือบจะเสียท่ามันเมื่อยกนี่ เธอรู้เห็นเป็นใจกับพวกมันงั้นเหะดวงหน้ารางรงสั่นสายไปมาแช่มช้ามันเป็นความผิดของท่านเองนะท่านพรานที่มายึดนอนอยู่ในตำแหน่งแท่นหินอันเป็นตำแหน่งของยอดถ้ำใต้แผ่นพีพบที่งอกขึ้นมานี่โดยไม่ได้พิจารณาเสรอบคอบว่าแท้จริงน่ะมันคืออะไรเราได้รับองค์การประกาศิษ์จากพระมหเทพ ให้มาสถิตอยู่ณตําแหน่งแท่นอันเป็นยอดของถ้ำใต้ดินนี้ทําหน้าที่พิทักษรักษาของสําคัญจนกว่าจะมีผู้พร้อมไปด้วยบุญญาบารมีจะมาเอาของสําคัญสิ่งนั้นไปเมื่อนั้นจึงจะหมดภาระหน้าที่ของเราและละจากภูมินี้ขึ้นไปสู่ภูมิที่สูงกว่า แต่เราก็ถูกกำหนดให้เฝ้าอยู่ณที่นี้มานานแสนนานแล้วของช่วงเวลามนุษย์โดยยังไม่มีผู้ใดมาปลดปล่อยเราให้พ้นจากองค์การประกาศิษนั้นได้เลยหรือว่าท่านจะช่วยเหลือเราได้ก็จะเป็นมหาปุสยยิง่งของสาคัญสิ่งนั้นแหละที่ทำให้อาวุธทุกชนิดของท่านไร้ผลโดยสิ้นเชิงยกเว้นอย่างเดียวเท่านั้น คือมิดโลงอคมเล่มที่ท่านถืออยู่ในมือนั้นระพินเม้มริมฝีปากแน่นจ้องเขมิงไปยังแท่นหินลักษณะประหลาดนั้นถ้าเช่นนั้นสังหรนของฉันก็ไม่ผิดนะของสิ่งนั้นอยู่ในถ้ำใต้ดินตรงแท่นหินนี่เองใช่ไหมใช่แล้วท่านพรานพระราชเหล็กไหลก้อนใหญ่ยิ่งมีเส้นทางเดินตลอดไปทั่วถ้ำ บนหน้าผานมนและในขณะ น, นี้ได้เคลื่อนย้ายมาอยู่ในตำแหน่งปากถ้ำใต้ดินต่ำกว่าระดับแท่นหินนี่ลงไปมันประจวบเหมาะกับที่ท่านมาพักหลับนอนอยู่ที่นี่พอดีเราจะเตือนท่านแล้วให้ออกห่างจากแท่นหินนี้มิฉะนั้นอาวุธของท่านจะสิ้นคมสิน้นฤทธิ์แต่เราก็ออกมาเตือนท่านไม่ได้เพราะมีดอาคมที่ท่านปัก ฝากแม่พระทนเนรีไว้ก่อนที่จะหลับหากท่านต้องการให้อาวุธของท่านทำงานได้ผลก็จงออกให้ห่างแท่นนี้ในรัศมีห้าว่ามิฉะนั้นอย่าว่าแต่อื่นใดเลยแม้แต่ไฟท่านก็ก่อไม่ติดถ้ายังยึดที่อยู่ใกล้แท่นหินอันนี้เอาละฉันเข้าใจแล้วและเชื่อว่าเธอก็ไม่ได้มีเจตนาร้ายกับฉัน แต่เป็นเพราะอิทธิพลของแร่าธาตุอันลี้ลับก้อนนี้นี่เองที่แผ่รังสีออกมาควบคุมอาวุธของฉันไว้ตำแหน่งที่จะโผล่ออกมาของพระราชเหล็กไหลยอยู่ตรงแท่นหินนี่รลยจะออกได้ก็เฉพาะตรงตำแหน่งใต้ซอกหินของยอดถ้ำใต้ดินนี้เท่านั้นแม้ว่าจะมีทางเดินไปทั่วตลอดแนวของขุนเขาแถบนี้และจะไม่สถิตอยู่ตรงตำแหน่งนี้ตลอดเวลาหรอก จะย้ายไปตามการเวลาใต้แผ่นดินนี่ล้วนเป็นภูเขาและถ้ำทั้งสิน้นติดต่อไปถึงกันโดยตลอดขณะนี้เวลานี้พระราชเหล็กไหลมารวมกันอยู่ที่นี่ท่านเองก็มาพักนอนอยู่ที่นี่พอดีถ้าท่านเชื่อว่าตัวเองมีฤทธิ์มีบุญญาบารมีพอก็จงอัญเชิญพระราชเหล็กไหลก้อนนี้ออกไปเถิดตัวเราจะได้หมดภาระ ที่จะต้องเฝ้าพิทักษ์และละจากสถานที่นี้สถิทีเราเฝ้ารอคอยมานานนักหนาแล้ววราดาชรีระพินเอ่ยเรียกนามของหล่อนผู้นั้นอย่างการุณาเป็นกันเองตัวเราเป็นแต่เพียงพรานไฟธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นแม้จะมีวิชาอยู่บ้างก็เป็นเพียงขั้นต่ําต้อยดังที่เธอว่า เราไม่มีบารมีพอที่จะอัญเชิญพระราชฉลิกไหลก้อนนี้ออกไปได้หรอกเธอจงเฝ้าดูแลพิทักษ์ต่อไปเถิดและถ้าเป็นไปได้ก็จงช่วยอัญเชิญให้เคลื่อนตัวถอยห่างออกไปสะก่อนอย่าให้อาวุธสำคัญของฉันต้องเสื่อมฤทธิ์ลงจะทำให้ฉันต้องเพลี่ยงพล้ำต่อศัตรูท่านพรานเราในฐานะเพียงแต่ผู้พิทักษ์รักษา เราไม่มีอำนาจพอที่จะกำหนดเส้นทางเดินของพระราชเหล็กไหลได้จะเคลื่อนย้ายไปยังตำแหน่งใดก็จะเป็นไปตามวาระของพระราชเหล็กไหลเองก่อนสว่างของราตรีนี้จะยังไม่เคลื่อนย้ายไปที่ใดทั้งสิ้นฉะนั้นท่านพรานทางแก้ของท่านย่อมมีอยู่ทางเดียวเท่านั้นจงถอยให้ห่างตำแหน่งแท่นหินนี้ออกไปในรัศมีห้าวา ดังเราได้บอกท่านไว้แล้วอันหนึ่งศัตรูใดของท่านก็ตา่างถ้าหากยังอยู่ในรัศมีดังกล่าวอาวุธของท่านที่จะพุ่งตรงมาก็ย่อมจะไร้ผลเช่นกันถอยห่างออกไปซะห่างออกไปแขนขาโพร น, นั้นโบกไล่เขาเดี๋ยววราดาชรีอย่างน้อยที่สุด ฉันก็ขอขอบใจเธอที่ชี้บอกความจริงให้นะแต่ไหนๆเธอก็ได้ปรากฏตัวแล้วต่อหน้าฉันหนบัดนี้ขอถามอีกคำถามเดียวเท่านั้นจะช่วยความสว่างได้ไหมถ้าเราบอกได้เราก็จะบอกท่านพรานเราอยากจะถามว่าไอ้ผีนรกเหล่านี้มันมาจากไหน ที่มันพยายามติดตามจองล่างจองผ่านชั้นในขณะ น, นี้มันด้วยประสงค์อะไรท่านพรานนึกย้อนอดีตดท่านเคยมีเวรภัยไว้กับสิ่งใดบ้างสิ่งนั้นไม่ได้สูญสลายไปไหนเลยหากตะบนเวียนรอคอยจองเวรท่านสุดแต่โอกาสของมันบัดนี้เป็นโอกาสของมันแล้วท่านผ่านเข้ามาในแนวของมัน มันคอยท่านอยู่มันไตรเหรอเขาคำรามออกมาใช่แล้วท่านพรานมันไรแห่งนิทรานครมันไตรผู้มีวิญญาณชั่วร้ายเป็นอมะตะท่านผ่าร่างของมันได้ทั้งสองร่างในครั้งกระนั้นแต่วิญญาณของมันก็ยังล่องลอยวนเวียนอยู่พร้อมด้วยอิทธิฤทธิกริทยามนกาลี ท่านทำลายมหาคัมภี์มายาวินได้แต่ท่านก็ยังทําลายดวงวิญญาณของมันไม่ได้ท่านปลดปล่อยทุกวิญญาณจมทุกของนิทรานครเป็นอิสระรเพื่อไปผุดไปเกิดเพื่อรอดพ้นจากอำนาจบีบบังคับเป็นทาตของมันมานานนับกลับกันนั่นคือสิ่งที่มันสูญเสียและอาฆาตท่านอยู่มันไกลไม่จาเป็นจะต้องอยู่ในร่างเดิมอันเป็นนักบวชของมัน หรือพยักหินสีนิลที่มันใช้เป็นภานะซากอับยาในสุสานนิทานครยังมีอีกนับร้อยนับพันที่มันจะใช้อิทธิฤทธิเวทมนต์อันแก่กล้าเข้าสิงและนำร่างนั้นออกมาใช้ได้จนกว่าจะหมดสุสานยิ่งกว่านั้นก็ยังแผริษธิอำนาจมืดของมันไปสิงสู่อยู่ในคตชสาร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 ท่านก็จะประสบความพ่ายแพ้ปลาชัยไปเองจงเตรียมรับมือมนแล้วก็อย่าประมาทภาพรังรงลึกลับนั้นเตือนมาอย่างมิดพอจะชีช้ทางให้ได้บ้างไหมว่าฉันควรจะหาทางแก้ลำมาได้ยังไงท่านพรานได้โปรดเถอะนะ กระแสเสียงอ้อนวอนเราเนะําไม่อยู่ในฐานะที่จะชี้แนะใดๆให้แก่ท่านได้เพราะไม่ใช่กิจของเราเท่าที่เราได้ปรากฏกายขึ้นให้ท่านเห็นและสนทนาปราศัยกับท่านในสภาพเช่นนี้เราก็ทำผิดกฎแห่งการแบ่งชั้นพรมแดนมากแล้วท่านบังคับเรียกเราออกมาด้วยกริยาอาคมแก่กล้าของท่านเห็นแก่สวรรค์ปลดปล่อยเราไปซะเถอะ อย่าได้สะกดตรึงเราไว้อีกเลยท่านเองก็เป็นเอกบุรุษชายชาติอาชาหนผู้แม้แต่เทพยดาฟ้าดินก็ยังคาระวะยกย่องจงใช้สติปัญญาและความรอบรู้ของท่านเข้าแก้ไขสถานการณ์เองอย่าให้เราต้องเข้าไปพัวพันมีบาปเวรอยู่กับสิ่งใดเลยท่านเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งสัจจะ กตันยูกะตะเวทีเป็นที่ตั้งเป็นผู้อุปถัมภ์สนองตอบคุณมารดาสิ่งเหล่านี้จะเป็นเกราะป้องภัยให้แก่ท่านได้แต่บาปเวรของท่านยังมีอยู่ก็จงก้มหน้ารับกรรมนั้นไปก่อนเถอดระพินถอนใจยาวในที่สุดเขาก็ยกปลายมีดอาคมที่กดแตะแท่นหินก้อนนั้นออกสอดมีดคืนสู่ฝัก ไปเถอระดาราชรีขอให้เธอจงเป็นสุขและหลุดพ้นจากภาระหน้าที่นี้ซะโดยเร็วสักวันหนึ่งคงจะมีคนมีบุญญาธิการมาอัญเชิญพระราชเหล็กไหลไปจากที่นี่ได้และเมื่อนั้นเธอจะหมดภาระสถิตีแต่คนคนนั้นคงไม่ใช่ฉันหรอกถึงฉันจะอัญเชิญออกมาได้ ฉันก็ไม่มีบารมีพอที่จะเก็บรักษาไว้ได้และปฏิเสธไม่ขอรับกับความทะเยอทะยานโลกโมโทสันนี้ดวงหน้างามอย่างไม่ใช่มนุษย์ดวงนั้นยิ้มกับกระพินเป็นครั้งแรกเราลาก่อนขอความสวัสดีจงเป็นของท่านพ่านแล้วภาพเหมือนกลุ่มหมอก ทจางสลายไปอย่างรวดเร็วทุกสิ่งทุกอย่างแวดล้อมรอบตัวเขาเยือกเย็นหวังเวงและว่างเปล่าเหมือนเดิมทั้งหลายทั้งปวงที่เขาเผชิญล้วนเป็นสิ่งที่พบเห็นเฉพาะตัวเท่านั้นไม่มีสายตาที่สามเข้ามาร่วมรับรู้ด้วยทั้งสิ่งและเป็นสิ่งที่เขาก็ไม่อยู่ในฐานะที่จะปริปากบอกใครได้เลยด้วยบัดนี้ ระพินสงบกิตอีกครั้งพยายามสำรวจไปยังสิ่งแวดล้อมรอบตัวไม่ใช่ฝันเขาจำได้อย่างแน่นอนว่าในวินาทีคับขันที่สุดก่อนที่ไอผีนรกซึ่งบัดนี้เขารู้แน่แล้วว่ามันคือมันไตรศัตรูคู่แค้งเก่าซึ่งมาในอีกร่างหนึ่งและขณะกำลังจะเอื้อมมือมาคว้าคออยู่รอมารอ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 ลอยมาจากไหนหรือว่าเป็นอุป่าทานห้าสิบสามเอาอยัางไงกันดีนั่นคือคำถามที่เกิดขึ้นกับตัวเองระพิงยืนสดัดกลับฟังสําสําเนียงของป่าธรมืนมืดแวดล้อมรอบตัวในขณะนี้ก็รู้สึกว่ามันจะเงียบงันอย่างมีเลสนยอยู่เช่นเดิม เขาค่อยๆเดินลงมายัางตำแหน่งที่ไฟฉายตกอยู่ใช้เท้ากวาดควานหาชั่วไม่นานก็สะดุดมันตกอยู่ใกล้เคียงกับซากของไอ้ผีดิบที่ขาดครึ่งตัวซึ่งนอนเป็นท่อนไม้อยู่ใต้ซอกขดหินนั่นเองก้มลงคว้าขึ้นมาเปิดสวิตและฉายส่องดูกับพื้นกระสุนจุดสหของเขาทั้งสองด้านทั้งสองนักที่ยิงด้าน กระเด็นตกอยู่ใกล้ๆบริเวณนั่นเองโดยจากการกระชากลูกเลื่อนของเขาเมื่อหยิบขึ้นมาพิจารณาดูกับไฟฉายก็เห็นด้วยอาการขนลุกว่าส่วนท้ายของจานกระสุนถูกเข็นแทงชนวนเจาะลงไปเป็นรอยลึกซึ่งการเจาะในลักษณะนั้นตามปกติแล้วลูกปืนจะไม่มีวันด้านโดยเด็ดขาดนอกจากจะเป็นลูกเก่าแก่หรือเสื่อมคุณภาพ เขเก็บกระสุนที่ไม่ยอมทำงานตามหน้าที่ของมันเข้ากระเป๋าเสื้อไว้บรรจุใหม่เพิ่มเติมไปอีกสองนัดในแมกกาซีนแล้วออกเดินส่องไฟฉายเข้าไปยังตำแหน่งที่เห็นมันไรในซากของขุนศึกแห่งนิตรานครเรนตัวลับหายเข้าไปเพียงแค่ขยับตัวออกไปได้สองสาก้าวห่างจากบริเวณท่านหินนั้นเท่านั้น ก็ได้ยินเสียงก้าวเดินสวบๆห่างไกลเป็นการแผลหนีออกไปอย่างรวดเร็วแสดงว่าตลอดเวลายังยืนซุ่มดูท่าทีหรือหาจังหวะอะไรอยู่แต่พอเห็นเขาเริ่มออกตามก็เพ่น ท, ทันทีแล้วก็ดูเหมือนจะไปหยุดรอเพื่อล่อให้ตามไปอีกเป็นช่วงๆระยะระยะไปลำไฟฉายที่สาดออกไปไม่พบอะไรเพราะป่ารกทึบมา เต่งไปได้วยซุ้มไม้และเถาวัลย์านใหญ่เคลื่อนตัวตามไปช้าๆอย่างระมัดระวงังบัดนี้เขาเข้ามาอยู่ในดงทึบแล้วห่างจากตำแหน่งแท่นหินที่ยึดนอนอยู่ประมาณสามสิบเมตรยังดูท่าทีชั้นเชิงมันทุกข์ขนาดขอให้รู้แน่ชัดออกไปเถิดว่าแท้ที่จริงเพศไทยที่กำลังคุกคามเขาอยู่ในขณะนี้ เป็นผลมาจากเจ้านักบวชมันตรัยแห่งนิทรานครอันเป็นศัตรูเก่าเขาก็พร้อมแล้วพร้อมแล้วที่จะรับมือกับมันได้ทุกรูปแบบเพราะเคยชิงไหวชิงพริบฟาดฟันกันมาก่อนแล้วไม่มีอะไรที่เขาจะต้องท่านพึงสะดุ้งสะเทือนมันเลยครั้งนั้นมันอาศัยถ่ายทอดวิญญาณอยู่ในสองร่าง คือร่างของนักบวชราชปุโรหิตของนิทรานครอันเป็นซากเดิมของมันเองกับเสือโครงหินสีดำสนิทซึ่งเมื่อวิญญาณอันแรงฤทธิ์ของมันเข้าสิงเมื่อใดก็สามารถจะเคลื่อนไหวกลายเป็นสัตว์ร้ายได้ในทันทีด้วยอำนาจเวทมนต์ลี้ลับแต่ทั้งสองร่างนั้นก็ได้ถูกเขาผลานย่อยับเสื่อมสลายไปแล้วทว่าในครั้งนี้ โดยการบอกเล่าจากวราดาชรีผู้ครองขุนเขาวิญญาณอุบาทของมันไตรเข้าไปอาศัยอยู่ในซากของนักรบขุนศึกจากสุสานนิทรานครนำซากนั้นออกมาใช้ประโยชน์ในวัตถุประสงค์ร้ายของมันด้วยแรงอาฆาตพยาบาทมหนำยังไปชักจูงเอาซากศพโบราณที่อาบยาไว้ในสุสานแห่งนั้น ออกมาใช้เป็นบริวารได้ซึ่งเขาก็ตรหนักดีอยู่แล้วว่าสุสานนั้นยังไม่ได้ถูกทำลายในครั้งนั้นอาจรวมตัวกันได้เป็นกองทัพเข้าเล่นงานคณะพักของเขาไม่ผิดอะไรกับเมื่อครั้งประจันบาลกันในปราสาทพันธุมวดีก็ได้กองทัพผีดิบที่ถูกปลุกให้ขึ้นมาเพ่นพ่านอาลวาดได้ ด้วยกริยามนชั่วร้ายชนิดที่อาวุธธรรมดาไม่สามารถจะหยุดมันลงได้นอกจากวิธีหนามยอกเอาหนามบุกยิ่งกว่านั้นอย่างช้างป่าอีกเป็นจำนวนนับโขลงไม่ท่วนที่มันจะใช้อาคมที่เขาก็พอจะรู้อยู่บ้างว่าคือหัวใจคชสารเข้ากำกับแล้วอาศัยรายงานจากสัตว์ใจพลังมากเหล่านั้น มาเป็นเครื่องมือสนับสนุนตามปกติแล้วช้างป่าจะไม่มีเลขกลเพทุบายและจ้องจะจองล้างจองผลานมนุษย์เพียงนั้นแต่เหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วบ่งชัดด้วยพฤติการว่าวิญญาณกาลีของนักบวชอุบาทนั้นเข้ามาเป็นตัวบงการควบคุมขลุงช้างอยู่หรือในภาษาชาวบ้านที่เรียกว่าผีลงช้าง เจ้าสัตว์ปีระฉานเหล่านั้นก็เลยกลายเป็นช้างปีศาจไปแล้วถ้าแม้ว่าจะถูกปืนล้มตายลงอันเป็นไปตามปกติธรรมดาของหลักชีววิทยาช้างที่ถูกทำลายวายวอดลงแท้ที่จริงก็เป็นร่างกายของช้างป่าธรรมดานั่นเองแต่ต้องมาสังเวยประจันหน้ากับลูกปืนเพราะถูกมนต์มืดบีบบังคับ หาใช่ความประสงค์หรือเจตนาของพวกมันไม่เรื่องร้ายสยองเก้าเหล่านี้ทุกสิ่งทุกอย่างไปรวมอยู่ที่มันไรมหาอุบาทเพียงตนเดียวจอมพรานไตรตรองไข้ค ร, ครวนไปทุกขณะที่ย่องกริบตามเสียงที่แววมาสัมผัสโสดเชิงล่อดนั้นพยายามใช้ปัญญาและความรอบรู้ที่ร่ำเรียนมา ในเรื่องสซยศาสตร์เวทมนมืดเพื่อจะแทงให้ทะลุปรุโปรงในปัญหาและเพื่อหาวิธีแก้สิ่งที่เขาหนักใจที่สุดในยามนี้ก็คือเขาจะต้องรับผิดชอบต่อชีวิตของบุคคลในความดูแลถึงสิบเก้าชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ่ายนายจ้างอเมริกันทั้งสี่คนบุคคลเหล่านี้มาจากโลกซีวิัย โลกของวิทยาศาสตร์เคมีและฟิสิกส์เป็นการยากสำหรับเขาเหลือเกินที่อาจจะที่จะอธิบายอะไรให้สตาลีคีดอิสเบลและคริสตินา่าเข้าใจได้อย่างที่เขาเข้าใจขืนพูดออกไปตัวเองก็กลายเป็นคนบ้าเท่านั้นแต่ในขณะเดียวกันถ้าพลาดนิดเดียวก็ย่อมหมายถึงชีวิตและความผิดหน้า ของหมูนะ่คณะมันไรไม่จำเป็นจะต้องสกิดผิวเขาให้เป็นรอยด้วยซ้ำถ้าหากว่ามันสามารถจะทำให้ฝ่ายนายจ้างคนใดคนหนึ่งของเขาถึงแก่ชีวิตลงได้นั่นก็เป็นชัยชนะของมันแล้วแล้วมันก็จ้องอยู่เต้หลังและอัฐกบริขารในการนอนยังคงถูกทิ้งอยู่ที่เก่า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 อากาศรอบตัวหนาวเย็นจับผิวกายและองไอ้น้ำเกาะชื้นไปหมดแต่ภายในของจอมพรานในขณะนี้ร้อนระอุแทบระเบิดเพ่งสายตาตามลำไฟฉายไปเบื้องหน้าไรเฟิลประทับอยู่ในท่าพร้อมแต่มันก็ฉลาดและดูจะรู้ทันพอที่จะไม่โผล่ร่างกายส่วนใดออกมาให้เห็นเลยมันไกล ระพินคำรามเรียกนามนั้นออกมาไอ้นักบวชอุบาททุสินไอดวงวิญญาณที่จอนรกหมกรไม่ไม่รู้ผุดรุกเกิดเจ้ามีแต่ความชั่วร้ายบาทหนาท้าแนแม่จริงก็ไม่ต้องเดินหนีอยู่อย่างนั้นเพรกว่าเจอกันซึ่งซึ่งนะ เสียงหัวเราะแหบตังวังเวงแววออกมาจากพงรกภายในเงาเถาวันหนาถึกภาษาหนึ่งโต้ตอบมาแต่ดวงจิตของเขาสดับเข้าใจพรานโตอยู่นี่ตามตูมาเถิดหากสูงแน่ใจ ว่าสูก็แก่กล้าฤทธิ์ตัวไม่หนีหรอกจะรอคอยสูอยู่นักที่อันควรแต่ไม่ใช่นักที่นี้จอมพลยิ้มกล้านเกรียมต่อเสียงเชิญชวนท้าทายนั้นปลายแขนเสื้อขึ้นเช็ดละอองหมอกที่ชุ่มอยู่บนหน้าผาก สืบเท้าต่อไปอย่างมั่นคงคุมสติแน่วแน่ปราศจากความหวั่นไหวใดๆทั้งสิ้นคิดอยู่อย่างเดียวเท่านั้นมุ่งที่จะติดตามทำลายร่างอามนุษย์ตนนั้นให้ได้เขาต้องการเด็ดมันออกเป็นชิ้นๆด้วยกระสุนล่าช้างเพื่อที่จะไม่ให้มันนำร่างกายอันใหญ่โตมาโหมาโหลา น, นั้น มาใช้ประโยชน์ได้ต่อไปส่วนภายหลังจากนั้นแล้วมันจะไปใช้ร่างอื่นอีกก็ค่อยว่ากันทีหลังสำหรับร่างนี้เป็นร่างสมบูรณ์และมีขนาดใหญ่แข็งแรงหน้าเกรงอันตรายมากที่สุดราวกับยักษ์ปักกลั่นสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องหาทางจัด ก, การให้มันชำรุดย่อยยับลงไปซะก่อน อไม่ไกลไม่ไกลจากสู่ข้างหน้านี้เองตามาตามากระแสะเสียงลึกลับนั้นดังแววมาเป็นระยะระยะเป็นเสียงของมหาปุโรหิตผู้เรืองเวทแห่งนิทรานาคนครซึ่งถล่มล่มแล้วนับ อายุการไม่ได้หากตัวมันเองสิกลับไม่ยอมผุดไม่ยอมเกิดวนเวียนอยู่ด้วย ด, ว, ยดวงจิตอันกล้าแข็งไปด้วยเพลิงอาฆาตริษยาพยาบาทชนิดไม่มีวันดับกรรมเวนกันแต่ชาติไหนซึ่งผูกพันกันมาก่อนระพินก็ไม่อาจจะทราบได้ที่ช่วงชีวิตในการเกิดเป็นพรานไพรของเขาในชาตินี้ ต้องเข้าไปอยู่ในข่ายเกี่ยวข้องกับมันเข้าจนได้โดยการทำลายล้างอาถรรพ์ของมหาคัมภีร์มายาวินช่วยปลดปล่อยวิญญาณอันตรับอันรมทุกทรมานของพันธุมมวดีนางพญาผู้เลยโฉมให้หลุดรอดจากเงื้อมือของมันออกไปได้พันธุมมวดีผู้เป็นยอดสเสน่หาของปุโรหิตมันไร โดยที่นางก็ไม่ได้สมัครใจจนเป็นเหตุให้เกิดมิขสันยีขึ้นและทุกชีวิตของอาณาจักรนิทรานครก็จมอยู่ในคำสาปมาชั่วกักชั่วกันจวงจนกระทั่งโชครึเคราะห์ก็ตามบัรดาลให้คนผู้มีนามว่าระพินไพรวันนำคณะติดตามคนสาปศูนบุกป่าฝ่าดงเข้ามาพบ และแก้ไขอาถรรพ์าเวชนั้นลงได้และนี่คือที่มาของความพยาบาทเคียดแค้นภาพในอดีตสมัยที่โรมรันต่อ ก, อกรกมันไตรในครั้งกระนั้นพุทธเด่นในสมองของเขาทุกระยะทุกตอนเป็นฉากฉากไปเท้าทั้งสองก็เ้าาสะกดรอยไปเรื่อยๆ จากลำไฟฉายราฟินสังเกตเห็นทิศทางการเคลื่อนไหวของมันทุกขณะเพราะพุ่มพงมีรอยแหวกลูกเป็นทางและบางแห่งก็เห็นรอยก้อนหินเล็กๆพลิกเพราะถูกน้ำหนักตัวเหยียบ ม, มีหน้ำซ้ำยังมีรอยหักกิ่งไม้ทำสัญญาณไว้ให้ซะ อ, อีกด้วยความเชื่อมั่นของเขา ที่ทำให้กล้าออกติดตามในขณะนี้ก็คืออะไรก็ตามที่มันจะดักเล่นงานจะถูกหยุดไว้ได้อย่างทันท่วงทีแน่นอนถ้าเป็นสัตว์ร้ายมีเลือดเนื้อและชีวิตก็ถูกปืนซึ่งสั่งได้อย่างเฉียบพลันถ้าเป็นวิญญาณร้ายพูดผีปีศาจก็มาหาอาคม และของขังที่ติดตัวอยู่มันจะไม่มีวันสัมผัสแตะต้องกายเขาได้เลยดีเหมือนกันที่คืนนี้เขาได้มีโอกาสเผชิญหน้าและสะกดตามไอ้ผีดิบมันไรไปติดในขนะนี้ถ้าจะเกิดอะไรขึ้นก็ขอให้มันเกิดขึ้นกับเขาเถอะ ยังให้มันไปพ่นเปลี่ยนวนเวียนเลียกเคียงอยู่ใกล้ๆที่พักแรมของพักพวกระพิ่นตัดสินใจเด็ดขาดที่จะติดพันมันอย่างกระชั้นชิดชนิดถึงไหนถึงกันเป็นอะไรก็เป็นกันแต่เขาก็ลืมเฉลียวคิดซะอย่างสนิทลืมคิดในมุมกลับว่าขนาดนี้ เขาได้ละห่างแคมป์ที่พักออกมาไกลเท่าใดแล้วเขากำลังทอดทิ้งพักพวกทุกคนไว้เบื้องหลังประหนึ่งถูกจูงหรือชักนำให้ไกลออกไปทุกขณะภายในห้องนั้นยังปกคลุมไปด้วยบรรยากาศของความตื่นตระหนกและสับสนร่างของหม่อมราชวงศ์หญิงดารินวราฤทธิ์นอนหายใจแผ่วๆอยู่บนโซฟา พี่ชายใหญ่ประคองศรีรษะวางไว้กับตักพี่ชายกลางเอาแอมโมเนียชุบสำลีแขวงไปมาอยู่ที่จ ม, มูกนายอัมพ ล, พลากรเข้ามายืนจ้องตะลึงมองอยู่ใกล้ๆส่วนชัยยันนั้นหันไปทางจดหมายที่หล่นอยู่กับพื้นห้องปาดเข้าไปก้มลงหยิบขึ้นมาอ่านทันทีกระเพียงเขียนถึงน้อยว่าไงเสียงอนุชาร้องถามมา ชยันคอแข็งกัดเต็มฝีปากเบาๆไม่พูดอะไรทั้งสิ่งแต่ยื่นส่งจดหมายฉบับนั้นไปให้เพื่อนเงียบๆอนุชากระชากไปในทันทีก้มลงอ่านอย่างรวดเร็วแล้วก็ซึมนิ่งไปเช่นเดียวกันผ่านจดหมายไปยังพี่ชายใหญ่คุณชายเชิฐถาดูเหมือนจะเป็นคนเดียวภายในห้องนั้นที่ระงับอารมณ์ไว้ได้ดีที่สุด เขาอ่านจดหมายข้อความอันไม่ยาวนักนั้นอย่างละเอียดทีทั่วคุณอ้ำพลคุณได้เห็นข้อความในจดหมายนี้แล้วหรื อ, อยังพี่ชายใหญ่ของตระกูลละสายตาขึ้นจากจดหมายนั้นเมื่ออ่านจบมองอย่างเคร่งขรึมไปทางผู้อำนวยการบริษัทส่งสัตว์ปาออกนอกประเทศซึ่งเป็นผู้รู้ตื้นลึกหนาบางของกรณีมากที่สุด จดหมายฉบับนี้ปิดผนึกและจ่าหน้าถึงคุณหญิงโดยตรงครับผมนายพลตอบแถวเบากิริยาเสื่องสึ่งคุณพินฝากไว้กับผมครับฝากไว้ในเช้าของวันที่ออกเดินทางจากหนองน้ําแห้งโดยขอสัญญาเกียรติยศจากผมว่าผมจะมอบจดหมายนี้ให้แก่คุณหญิงก็ต่อเมื่อครบเจ็ดวันนับจากวันที่แกออกเดินทางไปแล้ว ผมไม่ทราบข้อความในจดหมายนะครับเพราะไม่อยู่ในฐานะที่จะเปิดอ่านได้มันเป็นจดหมายส่วนตัวครับชยันธลันปราดเข้าถึงตัวผู้อำนวยการบริษัทไทยไวไลฟ์คำรามออกมา <c oughs> คุณน้ำพลนละคุณน้ำพนนี่หาไม่ใช่ว่าเราพินเขียนขอร้องน้อยไว้ในจดหมายแล้วก็ผมเิดคุณแนะ่ในกรณีที่คุณเย็บปากอยู่ได้ยังไงถึงเจ็ดวัน ได้ไม่ส่งขาวอะไรให้เราทราบเลยน้มพลหน้าซี่จอยไม่พูดอะไรแม้แต่คำเดียวแล้วก่อนที่ใช้ ย, ยันหรืออนุชาจะเล่นงานอำพลเช่นไรต่อไปเชษฐาก็ยกมือขึ้นบุกนี่อย่าไปว่าอะไรคุณอำพลก็เลยมันไม่ใช่ความผิดของเขาหรอกอ่ะคุณอำพลคุณลองอ่านจดหมายของรัพินนี่ดูแล้วกันกล่าวจบ เชษฐาก็ยื่นจดหมายบนเวรารไทยไวยไลฟ์ซึ่งนายอัมพลก็เอื้อมมืออันสันเทามารับจดหมายนั้นหยิบแว่นในกระเป๋าเสื้อขึ้นมาสวมอ่านภายในห้องเงียบสงัดไปอีกครั้งอัมพลพลากรเพิ่งจะมาถึงกรุงเทพเมื่อไม่เกินชั่วโมงที่แล้วนี่เองเมื่อเขาเก้าวเข้ามาในห้องรับแขกของวังวราริศ หม่อมราชวงศ์สามพี่น้องกับชยันนั่งคอยอย่างกระสับกระส่ายอยู่แล้วก็เพิ่งจะมีโอกาสได้เล่าเหตุการณ์เพียงคร่าวๆเท่านั h ้นว่ารพินไพยวันไปไหนด้วยธุรกิจสำคัญอันใดแล้วก็รีบเอาจดหมายที่จ่าหน้าถึงดารินนำส่งให้เจ้าของเหตุการณ์มันจึงอยู่ในข่ายฉุกละหุกจับต้นชนปลายกันยังไม่ได้ละเอียดนักจากฝ่ายที่รอรับฟังข่าวอยู่ แล้วก็มาแทรกด้วยการเป็นลุมพับไปต่อหน้าต่อตาทุกคนของหม่อมราชวงศ์หญิงคนเล็กภายหลังจากอ่านจดหมายนั้นเมื่อทุกคนได้เห็นจดหมายซึ่งจริงอยู่เป็นข้อความเรียบๆปกติที่สุดแต่ทุกคนก็ใจหายว่าและนับภาษาอะไรกระดาหินวราฤทธิ์ไม่มีปัญหาหลอนช็อกแน่เพราะมันเป็นเหตุการณ์ที่กระทันหัน ไม่คาดคิดฝันมาก่อนหัวใจหลอนไม่หยุดเต้นไปซะเลยก็นับว่าเป็นบุญที่สุดแล้วในข่าวที่ได้รับทราบราวกับฟาผ่านี้หม่มราชวงอนุชา ย, ยื่นทรงสังลีชุบแอมโมเนียให้พี่ชายใหญ่ช่วยพยาบาล น, น้องสาวตัวเอง น, นั่งไม่ติดแล้วลุกขึ้นสุบุหรีไฟแดงว่าบว่าบเดินพล่านไปรอบห้อง ประเดี๋ยวประเดี๋ยก็ชำเลืองสายตาขุนเขียวไปทางนายอำพลสักทีหนึ่งทาไมติดพี่ชายใหญ่ผู้อำนวยการบริษัทไทยไวไลทผู้สากขับรถไกลมาถึง800กว่ากิโลเมตรเพื่อ น, นำข่าวนี้มาบอกนี่หวังเจ็บตัวแน่ชชยันเองบัตรนี้ก็มาหยุดยืนมือควายหลังมองทะลุหน้าต่างออกไปในความมืดเบื้องนอกอย่างปราศจากจุดหมาย พยายามระนับอารมณ์ขีดสุดแทบไม่อยากจะมองหน้านายอัมพลอีกต่อไปก็คงมีแต่เช่ดฐาผู้เดียวเท่านั้นที่สุขขุมเยือกเย็นที่สุดปฐมพยาบาล น, น้องสาวผู้หมดสติและคอยกระซิบเขย่าเรียกใบพลางนายอัมพลตกอยู่ในฐานะกลับกลุ่มลำบากใจขีดสุดเมื่ออ่านจดหมายจบเขาก็ครางออกมาเบาๆอย่างน่าสงเพศว่า ผมก็ไม่ทราบว่าจะพูดยังไงถูกแล้วนะครับถ้าจะว่าเป็นความผิดของผมผมก็ยอมแล้วครับสุดแต่ทุกท่านจะด่าว่าเช่นไรแนละ้วผมยอมทุกอย่างครับคุณหญิงเป็นยังไงบ้างนะครับถ้ายังไงแล้วผมว่ารีบส่งโรงพยาบาลดีกว่าไหมครับน้อยแค่เป็นลมหมดสติไปชั่วขณะเท่านั้นแหละ ก็ไม่เป็นไรหรอกนอนพักสักครู่ก็คงรู้สึกตัวแล้วพินจาเป็นจะต้องออกเดินทางไปครั้งนี้มันก็ไม่ใช่ความผิดของคูน้ำพลหรอกแต่ถ้าจะมีความผิดอยู่บ้างก็ตรงที่เคร่งครัดต่อคำสั่งของเขาเกินไปเก็บนิ่งอยู่ได้ยังไงทั้งเจดวันโดยไม่ส่งข่าวให้เรารู้เลยจริงอยู่มันอาจจะเป็นความลับที่มีประเทศชาติเข้าไปเกี่ยวพันด้วย แตนน่มันก็น่าจะเป็นความลับสำหรับคนอื่นนะไม่ใช่คนที่เคยกอดคอร่วมเป็นร่วมตายกันมาแล้วอย่างเราทุกคนที่นั่งกันอยู่ในห้องนี้คุณชายใหญ่พูดเบาๆในน้ำเสียงแต่หนักแน่นและมีความหมายในทุกประโยคที่เก่าออกมานายอภินพลโครงศรีสะอยู่ไปมาทาหน้าเหมือนอยากจะร้องไห้ เอาเป็นว่าผมสารภาพแล้วครับไม่มีข้อโต้แยง้งใดๆอีกทั้งสิ้นครับผมรู้อยู่อย่างเดียวเท่านั้นล่ะครับว่าผมจะต้องทำให้คุณรพินปลอดโปรง่งสบายใจที่สุดโดยรักษาวาจาสัตว์กับเขาไว้ครับเพราะนั่นเป็นการขอร้องครั้งสุดท้ายของเขาความจริงผมเองก็ปลุ้มจนบอกไม่ถูกนะครับ แล้วแล้วนี่ถ้าคุณหญิงเธอรู้สึกโตขึ้นมาอีกครั้งคงเอาผมตายแน่คงไม่รอกเพราะถึงยังไงน้อยก็เป็นคนมีเหตุมีผลแต่เขาก็มีเหตุผลเหมือนกันที่จะเสียใจในกรณีที่คุณใจดำกับเขามากเก็บเรื่องนี้ซเงียบโดยไม่บอกครับจนรพินเดินทางเข้าป่าไปแล้ว หนึ่งอาทิตย์เต็มเต็มนี่ถ้าน้อยรู้เสียแต่ในเนินเขาอ่านไม่ถึงก็ช็อกก็ได้นำพลก้มหน้านิ่งนึกในใจว่าอุย้ยสวยชิบหายเลยนี่คุณกลัวพวกเราจะขัดขวางระพินไว้ไม่ให้ไปทำงานชิ้นนี้ไงกุลนำพนแต่คุณบอกเราเสียแต่ ตั้งแต่แรกที่คุณรู้เรื่องอนุชาเอ่ยถามมาในขณะที่ยังเดินพล่านอยู่มันมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับคุณชายกลางนายอภพลพูดขณะที่เหงื่อแตกซิกคือคืองานที่คุณระพินไปทำครั้งนี้อะครับมันเป็นงานลับสุดยอดของฝ่ายสายลับอเมริกันนะครับ แต่หากทางฝ่ายคุณชายรู้จะเข้าไปขัดฝังก็ดีหรือจะขอติดตามไปด้วยก็ดีทางพวกนั้นก็คงไม่ยอมให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวแน่นครับแล้วอันตรายมันก็จะเกิดขึ้นครับผมว่าอาจจะเกิดปะทะกันขึ้นแน่ๆอีกอย่างหนึง่งพวกนั้นก็ไม่ได้มาติดต่อกับคุณรพินตามลําพังนะครับหากติดต่อผ่านรัฐบาลของเรามา แล้วถ้าเกิดอะไรขึ้นมันก็จะลาบากยุ่งยากกันไปหมดนะครับเพราะรัฐบาลเขาก็รับรู้ในเรื่องนี้คุณพินแกก็รู้ดีนะครับแกถึงได้ขอร้องให้ผมถ่วงเวลาไว้ก่อนโดยไม่ยอมให้แพร่งพลายออกไปจนกว่าแกจะเดินทางล่วงไปแล้วหนึ่งอาทิตย์ ตลอดเวลาที่ผมเก็บความลับนี้ไว้โดยไม่ได้รายงานให้ฝ่ายคุณชายทราบผมเองก็กินไม่ได้นอนไม่หลับผมไม่มีทางเลือกอย่างอื่นจริงๆครับมันก็พังทั้งขึ้นทั้งล่องอะ่ะผมสาบานครับว่าผมไม่ได้เสนอชื่อคุณระพินเข้าไปในครั้งนี้ไม่รู้ไม่เห็นล่วงหน้าทั้งสิ้นนะครับอยู่ๆทางกะลาหมก็เจาะตัวตรงเข้ามาทันที โดยใช้ผมเป็นตัวกลางในการติดต่อซึ่งผมพอรู้ความผมก็บอกกับตัวเองว่าผมมาชิบหายแน่ๆอ่ะครั้งนี้นี่คุณอำพลผมก็ไม่อยากพูดอะไรมากครับนอกจากขอชมเชยว่าคุณนะเก็บรักษาความลับครั้งนี้ไว้ได้ดีมากดีเกินไปอ่ะชัยันพูดมาเสียงเห่าหนุน โดยไม่หันหน้ามามองแล้วก็ขอบคุณด้วยนะที่หวังดีต่อพวกเราหวังดีจนกลัวว่าจะมีการประทะกับไอ้พวกซี a อเอชุดที่มาให้รับพินนำทางหม่อมราชวงศ์อนุชาสวนมาอีกคนนายอัมพลคอตกควักผ้าชิดหน้าออกมาซับเหงือ่อสียงเชษฐาบอกกับเพื่อนและน้องชายมาว่า นี่ขอร้องอีกครั้งนะนะทั้งสองคนนั่นแหละอย่าไปว่าอะไรคุณนำพลกันเลยฉันก็เชื่อนะว่าเขาก็เป็นห่วงแล้วก็กลับกลุ้มในเรื่องนี้ไม่น้อยไปกว่าเราเหมือนกันอะ่ะอะมานั่งกันตรงนี้ค่อยๆหารื่อกันดีกว่าเมื่อแต่สักคุณนำพลโคลมๆแบบนี้ก็ต่างตัวไม่ติดอะเราก็ยังไม่ได้รายละเอียดอะไรเลยมามาๆมานั่งกันตรงนี้ ชั ย, ยันและอนุชาเดินกลับเข้ามานั่งร่วมโต๊ะดังเดิมคุณชายกลางรินบ่านดีเกือบ เ, เต็มแก้วแล้วดื่มอักอ ก, อก์ักกราวกันน้ำชาเพื่อระงับความรู้สึกอันไม่อาจจะกล่าวถูกชั ย, ยันนั้นลูบมือเข้าหากันหัวเราะฮือฮืพึมพำว่าให้ตายเถอะวันนี้นะฉันดีใจที่สุดนะได้ลูกผู้ชายสนใจแล้วก็ชื่อไพรวัน อย่างที่เจตนาไว้ก่อนแล้วน้อยเองก็เป็นคนทำคลอดให้ตามสัญญาจะเป็นคนเรียกชื่อเด็กเป็นคนแรกจะไพวันจูเนียปานนี้ก็นอนอยู่ในอกแม่แต่ก็ไม่รู้หรอกว่าไผวันซีเมียปานนี้นะะ่ะไปบนทระรามเดินดงอยู่ที่ไหนนี่เม่ก็ยังไม่รู้นะถ้ารู้ฉันว่าเขาก็คงจะเต้นลงจากไปยังไม่ทันเหมือนกัน มันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันมาก่อนเหมือนฟ้าผ่าโดยไม่มีฝนว่ะ